ที่ปาฏิหารไม่ใช่ธรรมที่เป็นแก่นสารในสมัยพุทธกาลเคยมีบุตรคฤหัสดีผู้หนึ่งทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหารเขากราบทูลว่าขาแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนาลันธานี้เจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากมีผู้คนกระจายอยู่ทั่วต่างเลื่อมใสนักในองค์พระผู้มีพระภาค ขออัญเชิญพระผู้มีพระภาคได้โปรดส่งรับสั่งพระภิกษุเวสักรูปหนึ่งที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์โดยการกระทำเช่นนี้ชาเมืองนลันธานี้ก็จะเลื่อมใส ย, ยิ่งนักในพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดที่จำประมาณพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบบุตรขฤรหาบดีผู้นั้นว่านี่น่เกวัต เรามิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมเหนือมนุษย์แก่คนนุ่งขาวชาวเฤ ห, หัตทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสแสดงเหตุผลต่อไปว่าในบรรดาปาฏิหาริย์สามอย่างนั้นทรงรังเกียจไม่โปรดไม่โกรงพระไทยต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เพราะทรงเห็นโทษว่า คนที่เชื่อก็เห็นจริงตามไปส่วนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังแล้วก็หาช่องขัดแย้งคัดค้านเอาได้ว่าภิกษุที่ทำปาฏิหารินั้นคงใช้คันธารีวิทยาและมานิกาวิทยาทำให้คนมัวทุ่มเทียงทะเลาะ ก, กันและได้ทรงชี้แจงความหมายและคุณค่าของอนุสาสนีปาฏิหารให้เห็นว่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเอง จนบรรลุถึงอาสวะไคอันเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนานอกจากนั้นยังที่ทรงยกตัวอย่างภิกษุรูปหนึ่งมีฤทธิ์มากอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุจึงเหาะเที่ยวไปในสวรรค์ดานดนไปสแสวงหาคำตอบจนถึงพระพรหมก็หาคำเฉลยที่ถูกต้องไม่ได้ในที่สุดต้องเหาะกลับลงมา แล้วเดินดินไปทูลถามพระองค์เพื่อความรู้จักโลกตามความเป็นจริงแสดงถึงความที่อิทธิปาฏิหารมีขอบเขตจำกัดอับจนและม่ใช่แก่นธรรมดูเรื่องนี้ได้จากเกวัตสูตรที่คนิายศิลขันทวัคอีกเรา่หนึ่ง เมื่อสังฆราวาพราหมณ์กราบทูลถึงเรื่องแทรกซึ่งที่ประชุมราชบริษัทได้ยกขึ้นมาสนทนากันในราชสำนักว่าสมัยก่อนมีพระภิกษุจำนวนน้อยกว่าแต่มีภิกษุแสดงอิทิปาติหารซึ่งเป็นธรรมเนื้อมนุษย์ได้มากกว่าสมัยนี้มีพระภิกษุจำนวนมากกว่าแต่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาติหารซึ่งเป็นธรรมเนื้อมนุษย์กลับมีน้อยกว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปาฏิหารมีสามอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารและทรงแสดงความหมายของปาฏิหารทั้งสามอย่างนั้นในที่สุดได้ตรัสถามพระรามว่าชอบใจปาฏิหารอย่างไหนปาฏิหารใดดีกว่าประณีกว่าพระรามได้ทูลตอบว่าอิทธิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหาร คนใดทาคนนั้นจึงรู้เรื่องคนใดทรรมก็เป็นของคนนั้นเท่านั้นมองดูเหมือนเป็นมายากลอนุสาสนีปาฏิหารจึงจะดีกว่าประนีดกว่าเพราะคนอื่นพิจารณารู้เข้าใจมองเห็นความจริงด้วยและนำไปปฏิบัติได้แก้ทุกแก้ปัญหาได้ดูเรื่องนี้ได้จาก อังกุตราณิกายติกานิบาท